สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในข้อคิดจากพระธรรมสุภาษิตครั้งที่ยี่ิบหกเรื่องบิดาและบุตรในเช้าวันนี้เป็นเช้าวันจันทร์นะครับเราจะมาดูว่าบิดาควรจะสั่งสอนหรือมีหลักธรรมสอนที่จะสอนบุตรอย่างไรบ้างพอเจ้านของพระเจ้าในเช้าวันนี้นะครับอยู่ในพระธรรมสุภาษิตบทที่สี่ข้อที่หนึ่งถึงข้อที่เก้าพระธรรมสุภาษิตบทที่สี่ข้อที่หนึ่งถึงข้อที่เก้า โปรดฟังพระชนะของพระเจ้าบุตรชายของเราเอ๋ยจงฟังคําสั่งสอนของพ่อเจ้าอย่างตั้งใจเพื่อเจ้าจะได้รับความรอบรู้พ่อเราให้ภาสิทิ์ดีแก่เจ้าอย่าทอดทิ้งคําสอนของเราเมื่อเราเป็นลูกอยู่กับพ่อของเราเป็นแก้วตาของแม่เราดูน่ารักอ่อนโยนบิดาสอนเราและพูดกับเราว่าให้ใจของเจ้ายึดคําสอนของเราว่าให้มัน่นจงรักษาบัญญัติของเรา และมีชีวิตอยู่อย่าลืมและอย่าหันกลับจากท้อยคำแห่งปากของเราจงเอาปัญญาแลวความรอบรู้อย่าทอดทิ้งเธอเธอจะรักษาเจ้าไว้จงรักปัญญาและปัญญาจะระแวดระวังเจ้าที่เริ่มต้นของปัญญาเป็นอย่างนี้คือจงเอาปัญญาแม้เจ้าจะได้อะไรก็ตามจงเอาความรอบรู้ไว้จงตีราคาปัญญาให้สูง และปัญญาจะยกย่องเจ้าถ้าเจ้ากอดปัญญาไว้ปัญญาจะให้เกียรติเจ้าเธอจะเอามงคลงามสวมศีรษะเจ้าและจะให้มงกุฎงามแก่เจ้าเพีองครับเราลองนึกถึงในสมัยเด็กๆนะครับทุกคนมีบุพการีมีคุณพ่อคุณแม่หรือมีพ่อแม่ฝ่ายวิญญาณที่เรียกว่า God Father หรือ God Mother ก็คือว่า เมื่อเรารับศีลบัพติสมาเข้าในผ่า ก, กายของพระเยซูคริสต์เราทุกคนควรจะมีคุณพ่อคุณแม่ฝ่ายวิญญาณหรือเรเรียกว่าพี่เลี้ยงฝ่ายวิญญาณ น, นั่นเองอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญครับในขณะที่โซโลมอนนั้นมีคุณพ่อซึ่งเป็นคุณพ่อทั้งฝ่ายวิญญาณและเป็นคุณพ่อทางด้านเชื้อสายก็คือกษัตดาวิดเขาได้คิดถึงความดีงามของคุณพ่อก็คือดาวิด ที่ได้สั่งสอนเขาทำให้เขานั้นมีหลักธทมหรือมีหลักการดำเนินชีวิตในข้อที่หนึ่งบทที่สี่นั้นได้เริ่มต้นว่าบุตรชายของเราเอ๋ยจงฟังคำสอนของพ่อเจ้าอย่างตั้งใจนี่คือสิ่งที่กษซาโซโลมอนนั้ น, น, นได้สอนลูกหลานอิสาราเอลครับบอกว่าให้ฟังคำสอนของคุณพ่อคุณแม่อย่างตั้งใจนะครับเพื่อจะเกิดความเข้าใจเกิดความรอบรู้ เกิดทักษะชีวิตเกิดความเชี่ยวชาญในการดำเนินชีวิตเนี่ยครับคือสิ่งที่พระบรมปีพูดว่าคนที่เป็นพ่อนั้นก็ควรจะมีคำสอนหรือมีหลักคำสอนที่มาจากองค์พระพุทธเจ้าในการอบรมเลี้ยงดูหรือดูแลบุตรเพราะว่าคุณพ่อนั้นให้พาสิทธ์ที่ดีให้คำสอนที่ดีภาษาอังกฤษใช้ว่า instruction ก็คือคาสั่งสอนที่ดีนะครับ อย่าทอดทิ้งคำถังสอนของคุณพ่อของเรากราซาโซโลมอนก็นึกถึงตอนที่เขาวัยเด็กภาษาอังกฤษใช้พูดชัดนะครับว่า What I am teaching you is good when I was only a little boy, my parents, Olysan ก็ ค, คิดถึงว่าเมื่อเขาเป็นลูกอยู่กับพ่อเมื่อกาซาโซโลมอนเป็นลูกอยู่กับกราซาดาวิดนะครับเป็นแก้วตาของคุณแม่ คุณแม่ในที่นี้ก็หมายถึงนางบาดเชบานั่นเองดูน่ารักและอ่อนโยนเป็นลูกคนเดียวของคุณพ่อคุณแม่บิดาสอนเราและพูดกับเราว่าให้ใจของเจ้ายึดคําสอนของเราไว้ให้มัน่นรักษาบัญญัติของเราและมีชีวิตยอยู่เพียงครับคําสอนคํานี้สําคัญคําว่าใจที่ยึดคําสอนให้มั่นคงหรือใจที่ฝักใฝ่อยู่กับคําสอนนั้น เป็นเรื่องสําคัญครับในการดําเนินชีวิตของคริเสเตียนเราเราจะต้องมีหลักคําสอนที่ชัดเจนนะครับหลักคําสอนที่ถูกต้องหลักคําสอนที่มีเหตุผลหลักคําสอนที่มาจากพระเจ้ายึดเหล่านี้ไว้ให้มั่นครับและไม่เพียงแต่ยึดนะครับจิตใจของเราต้องมีความเชื่อความศรัทธาในคําสอนนั้นเช่นเดียวกันเพื่อที่จะสามารถนําไปปฏิบัติได้ได้ เพราะฉะนั้นการรักษาบัญญัตินะครับไม่เพียงแต่ใจจะยึดนะครับแต่ว้องพิจารว่าและมีชีวิตอยู่ภาษาอังกฤษใช้ว่า do do as I tell you ก็คือว่าให้ทำครับให้ดำเนินชีวิตออกมาให้มีชีวิตอยู่ให้ดำรงชีวิตอยู่ในคำสอนและบทบัญญัติของพระเจ้าอย่าลืมและอย่าหันกลับจากถ้อยคาแห่งปากของเราจงเอาปัญญาและเอาความรอบรู้นะครับภาษาอังกฤษใช้ว่า wisdom a n d i ินไซต์นะครับอินไซต์ก็คือความอย่างรู้นะครับความเข้าใจในข้อที่หกครับได้บอกว่าอยาทอดทิ้งปัญญาและปัญญาจะรักษาเจ้าไวจงรักปัญญาและปัญญาจะระแวดระวังเจ้าพี่น้องครับเราเคยมีความรู้สึกไหมครับว่าเรารักปัญญาเพราะเนื่องจากปัญญานั้นเป็นนามธรรมไม่ใช่รูปธรรมจะรักปัญญาได้ยังไงนะครับพระธรรมชุบศิษิ์นั้นพยายามที่จะตี นะครับหรืออธิบายความนะครับคําว่าปัญญาซึ่งนามธรรมให้เป็นรูปธรรมเรียกปัญญาว่าเธอครับเรียกปัญญาว่าเหมือนกับเป็นบุคคลคนหนึ่งแท้จริงพี่น้องที่ฟังผมมาตั้งแต่บทที่หนึ่งพี่น้องจะเข้าใจครับว่าผมเรียกปัญญาว่าคุณครูปัญญานะครับหรือพระปัญญาซึ่งหมายถึงใครครับหมายถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นเองครับพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นมีสภาพของ ความเป็นบุคคลหรืออีกในหนึ่งเรียกว่ามีบุ ค, คลิกภาพนะครับเพราะฉะนั้นพรวิญญาณบริสุทธินั้นก็เปรียบเหมือนกับเป็นบุคคลคนหนึ่งได้ครับจากนามธรรมกลายมาเป็นรูปธรรมเราไม่เห็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ตามแต่เรียกพระองค์นะครับเรียกพระองค์ได้พรงฟังเราได้ในขณะเดียวกันทั้งผีใชนคำ ว, ว่าเธอนะครับซึ่งเป็นความพยายามที่จะให้เราเห็นภาพว่าพระวิญญาณบริสุทธินั้น ฟังเราได้ครับเพราะมีญบริสุทธนั้นมีตัวตนมีบุ ค, คลิกภาพมีความเป็นบุคคลชัดเจนนะครับที่นี่บอกว่าจงรักปัญญาและปัญญาจะระแวดระวังเจ้าปัญญาจะนำเราเข้าไปถึงความปลอดภัยครับห ล, ลยายหยครั้งทีเดียวเวลาที่มีคนว่าเราหรือมีคนทำร้ายเราหรือมีคนทําอันตรายต่อเราหรือเป็นอุปสรรคขัดขวางเรานะครับเราอย่าท้อใจ ผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าพระปัญญาจะระแวดระวังเราพระวิญญาณบริสุทธิ์จะระแวดระวังเราไว้ทําให้ทางของเรานั้นเป็นทางแห่งความราบรื่นครับเมื่อเรายำเกรงพระเจ้าเมื่อเราทําสิ่งที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นในข้อที่เจ็ดนะครับกษัตริย์โซลมอนได้สรุปแบบนี้ครับว่าที่เริ่มต้นของปัญญาเป็นอย่างนี้แหละจงเอาปัญญาไว้แม้เจ้าจะได้อะไรก็ตามจงเอาความรอบรู้ไว้พี่น้องครับหลายหลายครั้งนะครับ สิ่งที่ดีเป็นศัตรูของสิ่งที่ดีที่สุดเพราะเนื่องจากว่าเราพวักภวงนะครับตัวของเราพระรงพรังนะจากสิ่งต่างที่สำคัญน้อยกว่าปัญญาลหลายๆทั้งทีเดียวบางคนก็ไม่เห็นคุณค่าของปัญญาทำให้ในข้อที่แปดนะครับกษัตริย์โซโลโมอนนะครับได้เขียนว่าอย่างนี้ครับว่าจงตีราคาปัญญาให้สูงและปัญญาจะยกย่องเจ้าพี่น้องครับ ภาษาังกฤษใชคว่า love นะครับการตีราคาปัญญาเนี่ยใช้คว่า love พี่น้องครับคาว่า love กับการให้คุณค่าอย่างสูงหรือตีราคาสูงนี้มีความสัมพันธ์กันครับถ้าเรารักใครคนคนนั้นเป็นคนที่มีคุณค่าสูงสำหรับเราถ้าเรารักปัญญาปัญญาก็เป็นสิ่งที่มีคุณค่าสูงในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นการที่เราจะตีราคาปัญญาให้สูงนั้นหมายความว่าเราจะต้องยกย่อง ปัญญาให้สูงที่สุดเราจะยกย่องคุณครูปรัญญาหรือเราดีวยย่องพระปัญญาและเราจะต้องยกย่องพระปัญญาณบริสุทธิ์ให้สูงครับให้สูงที่สุดครับนะและเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วปัญญาจะยกย่องเราพี่นะครับชีวิตของคริสเตียนที่เชื่อฟังพระเจ้าชีวิตของคริสเตียนที่ดําเนินอยู่ในวิถีของพระเจ้าชีวิตของคริสเตียนที่เดินด้วยความเชื่อไปกับพระองค์มีพระปัญญาอยู่ในชีวิตมีพระปัญญาบริสุทธิ์อยู่ในชีวิต ชีวิตของเขานั้นจะสูงขึ้นทางเดียวเมื่อเขารักษาธรรมบัณฑิตของพระเจ้าถ้าจะกอดปัญญาไว้ปัญญาจะให้เกียรติเจ้าเพียงครับตรงนี้ชัชเดเจนครับกอดปัญญาเอาปัญญามาอยู่ใกล้ๆอยู่ในหัวใจอยู่ใกล้ๆหัวใจอยู่ใกล้ๆกับชีวิตของเราให้มากที่สุดปัญญาจะให้เกียรติเราครับพี่น้องครับเรามาถึงข้อสุดท้ายในวันนี้เธอจะเอามงขุดมงคนงามสวมศรีรษะเจ้า และจะให้มงกุฎงามแก่เจ้าเมื่อเรามีพระปัญญาพระปัญญาจะยกย่องเราครับนอกจากเราจะสูงขึ้นทางเดียวนะครับเราจะได้รับเกียรติครับและในขณะเดียวกันครับเราจะได้รับการให้รางวัลก็คือมงกุฎงามครับพี่น้องครับมีคำคาหนึ่งพูดอย่างนี้ว่าจากองค์พระเยซูคริสต์นั้นมงกุฎน้ํากลายเป็นอะไรครับคำตอบก็คือว่า ในองค์พระเยซูคริสต์มงกุฎน้ํานั้นกลายเป็นมงกุฎแห่งสง่าราศีครับเชื่อนครับในชีวิตของเราบางครั้งเราเจอขวากน้ําเยอะแยะนะครับแต่ขวากน้ําเหล่านั้นจะกลายเป็นรางวัลใจปจะจ ะ, จะกลายเป็นสิ่งที่มีสง่าราศี เ, เมื่อเราพบกับพระเจ้าของเราอาเมน